เพื่อมาหาที่พึ่งทางใจเพื่อมาหาความสุขทางใจแทนความสุขทางร่างกายที่จะมีวันเสื่อมลงไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายก็จะแก่ลงไปจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะตายไปถ้าเราใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยหาความสุขให้กับเรา เวลาร่างกายบทดสภาพเราก็จะไม่มีความสุขกันเพราะพพุทธเจ้าจึง ส, สอนให้เรามาหาความสุขทางใจกันจะดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี้ไม่มีวันเสื่อมไปเหมือนกับความสุขทางร่างกายเพราะใจของพวกเราไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย ถ้าเรามีความสุขทางใจเวลาร่างกายไม่สามารถทาหาความสุขให้กับเราได้เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขภายในใจอยู่ตลอดเวลาความสุขภายในใจนี่แหละเป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่ถาวรส่วนความสุขทางร่างกายเป็นความสุขปลอม ก็เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หายไปเช่นเวลาเราไปเที่ยวกันเราก็มีความสุขกันพอเรากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปเราก็ต้องออกไปหาความสุขอยู่เรื่อยๆไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆไปดูภาพยนตร์ไปร้องรำทำเพลง ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่ตางๆเที่ยวเท่าไหร่พอกลับมาบ้านมันก็หายไปหดแล้วต่อไปถ้าร่างกายเราแก่ลงไปเราก็จะไปไม่ไหวร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอัมพาตเป็นอัมพาตก็จะไม่สามารถไปหาความสุขทางร่างกายได้แต่ถ้าเรามีความสุขทางใจ เราจะไม่ดืร้อนเพราะความสุขทางใจนี้จะอยู่กับเราไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไปไม่เกี่ยวกันเพราะความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขทางใจนี้เราต้องใช้ธรรมคคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเพราะว่าพระพุทธเจ้า เป็นผู้ส่งค้นพบความสุขทางใจนี้และรู้จักวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจนี้ให้อยู่กับเราไปตลอดถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะได้ความสุขทางใจตอนต้นเราก็จะได้เทื่เล็กเถือนน้อยไปก่อนเพราะ เราก็เป็นเหมือนนักกีฬาเช่นนักวิง่งเวลาเริ่มต้นหัดวิง่งเราก็วิ่งได้ระยะสั้นๆเช่นวิ่งได้แค่50เมตร100เมตรต่อไปเราก็เพิ่มเป็น200เมตร500เมตรต่อไปก็เพิ่มเป็นกิโลแล้วในที่สุดเราก็จะวิ่งมารอทอนได้เราต้องเริ่มจากน้อยไปหามาก ความสุขทางใจที่พวกเราจะสามารถสร้างกันขึ้นมาได้นี้ก็ต้องสร้างจากน้อยขึ้นไปหามากสร้างจากง่ายไปหายากเพราะความสุขทางใจนี้มีหลายระดับเหมือนกับธนบัตรมีหลายราคาธนบัตรใบละยี่สิบก็มีใบละห้าสบก็มีใบละร้อยก็มีใบละห้าร้อยใบละพันก็มี ธนบัตรแต่ละใบนี้ก็หากันยากง่ายต่างกันใบละ20ก็หาง่ายกว่าใบละห้บใบละ50ก็หาง่ายกว่าใบละร้อใบละร้อยก็ง่ายกว่า500รใบละ500ก็ง่ายกว่าใบละพันแต่เราทำจากน้อยไปหามากตอนต้นเราก็หาทีละ20ทีละ50พอเราทำไปเรื่อยๆ เ, เราก็เกิดความรู้ทางสามารถ เกิดความชมนานาญในการหาเงินหาทองต่อไปเราก็หาได้ใบละพันใบละหมืน่นใบละแสนดงั้นเราอย่าไปโลภมากเวลาเริ่มต้นเราต้องทำไปตามกำลังของเราเพราะถ้าเราไปทำอะไรที่มากเกินกำลังของเราเราจะทำไม่ได้ผลและเราจะเกิดความท้อแท้จะเกิดความเสื่อมศรัทธา ไม่เชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำนั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์มีผลจริงๆดังนั้นขอให้เรามาปัิธรกันจากน้อยขึ้นไปหามากความสุขระดับแรกที่พวกเราสามารถหากันได้ก็คือการทำบุญให้ทานคือให้เราแบ่งปันทรัพย์ข้าวของเงินทอง ที่เรามีมากเกิดความจำเป็นความจำเป็นของพวกเราคืออะไรก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหง่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าเรามีพอเพียงแล้วส่วนที่เกินเราก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก็เก็บไว้สำรองเผื่อในอนาคตบ้างแต่ถ้า มีเหลือจากการสำรองเก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาทรัพนี้มาแลกเป็นความสุขทางใจดีกว่าเพราะว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ทรัพนี้มันก็มีขอบเขตใช้เท่าไหร่มันก็ได้ความสุขเท่านั้นไปเที่ยวระดับไหนก็ได้ความสุขเหมือนกัน ไ ป, ไปเที่ยวหมดเงินเป็นหมืน่นก็ได้ความสุขไปเที่ยวหมดเงินเป็นพันก็ได้ความสุขเหมือนกันดังนั้นเราอย่าไปคิดว่าเราต้องใช้เงินมากๆเราถึงจะมีความสุขมากๆเพราะว่าจำนวนหรือว่าที่รองรับความสุขจากเงินทองนี้มันก็เป็นเหมือนแก้วน้ำใบหนึ่งแก้วน้าใบหนึ่ง เราจะเทน้ำเข้าไปให้เต็มแก้วหรือเราจะเอาน้ำสิบแก้วมาเทน้ำมันก็อยู่ได้เพียงแก้วเดียวใช้เงินพันก็ได้ความสุขเหมือนกับใช้เงินหมื่นเหมือนกับใช้เงินแสนไม่ต่างกันแล้วเวลาใช้เสร็จแล้วมันก็หายไปเหมือนกันหมดไปเหมือนกันดังนั้นแทนที่จะเอาเงินที่เรามาซื้อความสุข ทางร่างกายนี้ซื้อพอประมาณก็พอไม่ต้องใช้เป็นหมื่นเป็นแสนไปถามคนยากจนเขาดูเขาได้เที่ยวเขาใช้ห้าห้า0้อยพันบาทนี้เขาก็มีความสุขแล้วแต่คนร่ำรวยนี้ใช้ห้าร้อยพันบาทนี้ไม่มีความสุขเพราเคยใช้เป็นหมื่นเป็นแสนถึงจะมีความสุขความจริงแล้วมันก็เหมือนกัน อยู่ที่ความเคยชินถ้าเราเคยชินกับการใช้เงินหมื่นเงินแสงพอเราต้องมาใช้เงินพันเงินร้อยเราจะไม่มีความสุขแต่คนที่เคยชินกับการใช้เงินสิบเงินร้อยแลได้มาใช้เงินพันนี่เขาจะรู้สึกมีความสุขมากมันเรื่องของความเคยชินเรื่องของการปรับใจให้เข้ากับสภาพเท่านั้นเอง แต่ความสุขที่ได้นี้มันเหมือนกันเหมือนน้ำน้าแก้วหนึ่งใช้น้ำสิบลิรเติมเข้าไปหรือน้ำครึ่งลิตรเติมเข้าไปมันก็เต็มเหมือนกันเติมเข้าไปมันก็ล้นออกมาฉันใดความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองมันก็ได้ในระดับน้ำแก้วเดียวไม่ว่าจะใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านหรือใช้เงินเป็นพันเป็นร้อย มันก็ได้ความสุขเท่ากันดังนั้นเราเอาเงินที่เราไปใช้ความสุขเป็นแสนเป็นล้านนี้มาทําบุญจะดีกว่าเพราะเราจะได้ความสุขในระดับตุ่น้ําความสุขทางใจนี้มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางใจนี้จะทําให้ใจเรามีความอิ่มเอิบ ม, มีความสบายไม่หิว อยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องออกไปหาความสุขภายนอกบ้านกันนี่แหละคือความสุขทางใจยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายถ้าความสุขทางร่างกายเป็นแก้วน้ําระดับแก้วน้ำความสุขทางใจก็ระดับตุ่มน้ําเรามาเติมตุ่มน้ํานี้ให้เต็มดีกว่าดีกว่าไปเติมแก้วน้ําแก้วเล็กๆเติมไปเท่าไหร่มันก็ล้นหมดไปนะ แต่ตู้น้ำนี้เราสามารถเติมได้อีกมากมายการทำทานนี้ก็เป็นการเติมความสุขทางใจในระดับแรกถ้าเป็นเปรียบเทียบก็เหมือนตักตักทีละแก้วสองแก้วใส่เข้าไปในตู้ถ้าเราอยากจะได้น้ำมากกว่านี้ได้ความสุขทางใจมากกว่านี้เราต้องใช้ขันตักขันตักก็คือการรักษาสี ถ้าเรารักษาศีลได้ทําใจไม่ไปทําบาปไม่ไปสร้างความเดือดร้อนเราจะได้ความสุขทางใจมากกว่าที่เราจะได้รับความสุขจากการทําทานทําทานจะได้ความสุขน้ําเป็นแก้วถ้าเราทํารักษาศีลเราจะได้ความสุขน้ําเป็นขันธ แล้วถ้าเราอยากจะได้มากกว่านี้เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมาไหว้พระสวมดมนต์นั่งสมาธิทำใจให้สงบรักษาศีลแปดเช่นในวันพระลองเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันสักวันหนึงหยุดทำงานสมัยก่อนนี้เราจะหยุดทำงานในวันพระกันเพื่อที่จะได้มีเวลาเข้าวัด มาเติมความสุขทางใจกันแต่สมัยนี้สังคมได้เปลี่ยนไปโลกได้เปลี่ยนไปเป็นโลกาพิวัตรเราต้องติดต่อกับต่างประเทศเขาหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เราเลยต้องหยุดตามขาเพราะศาสนาเขาให้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เขาได้กําไรเขาหยุดเสาร์อาทิตย์เขาได้เข้าโบสถ์เขาได้เข้าวัดของเขา แต่พวกเราขาดทุนเพราะเราไปหยุดตามเขาวันหยุดของเขาไม่ตรงกับวันหยุดของเราวันเข้าวัดของเราไม่ตรงกับวันเข้าวัดของเขาเราก็เลยห่างวัดกันไม่ได้เข้าวัดกันแต่สมัยนี้ทางวัดก็มีการปรับให้เข้ากับโลกาภิวัตคือแทนที่จะมีการปฏิบัติธรรมมีการเติมความสุขทางใจ ในวันพระเดี๋ยวนี้ทางวัดก็มาเพิ่มเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างญาติโยมที่มาที่วัดนี้ไม่ต้องมาในวันพระก็ได้เพราะที่วัดนี้ก็จะมีกิจกรรมการทำบุญทําทานมีการรักษาศีลมีการไหว้พระสวดมนต์มีการปฏิบัติธรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันอื่นๆก็สามารถมาอยู่วัด ได้นี่คือสิ่งที่ทางศาสนาต้องปรับให้เข้ากับทางโลกเพื่อที่จะได้รับใช้พุทธศาสนิกชนให้ได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวพระพุทธศาสนิกชนนี้จะห่างจากวัดไปและจะไม่รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาแล้วจะไม่มีที่พึ่งทางใจ เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปก็จะคิดแต่ฆ่าตัวตายไปเพียงอย่างเดียวเพราะคนเราพอไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งได้ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ก็จะไม่อยากจะอยู่อยากจะฆ่าตัวตายกันการฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ปัญหาอยู่ที่ตัณหากิเลส ข, ของพวกเราความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายกันจึงทำให้เราทุกเวลาที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้คนในโลกตะวันตกที่เขาเจริญทางวัตถุเขาทุ่มเทกับการหาความสุขทางร่างกายกันแต่พอร่างกาย ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงรักษาไม่หายเขาก็เลยหาวิธีฆ่าตัวตายกันการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาที่ตัณหาความอยากการอยากหาความสุขทางร่างกายนี้ก็เหมือนกับคนติดยาเสพติดปัญหาของ <c oughs> คนติดยาเสพติดไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย แต่อยู่ที่ความอยากเสจยาเสพติดถ้าเราให้เขาเลิกความอยากไม่ได้เขาก็จะไม่ทุกขนะ์แต่ที่เขาทุกข์ก็เพราะว่าเขาเลิกความอยากไม่ได้นั่นเองชันใดเวลาร่างกายเราเป็นอะไรไปแต่เรายังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายเราจะมีความทุกข์ทรมานใจมาก วิธีที่จะแก้ต้องหยุดความอยากกันอย่าไปแก้ด้วยการฆ่าตัวตายเพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่ปัญหาเหตุของปัญหาอยู่ที่ความอยากแล้วไม่ฉช่นนั้นถ้าเราฆ่าตัวตายพอชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมาฆ่าตัวตายใหม่เพราะเราก็จะเจอปัญหาอันเดิมเจอปัญหาที่ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องเป็นพี่โกนพี่การไปก็จะคิดฆ่าตัวตายกันไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราแก้ปัญหาที่ถูกจุดก็คือแก้ที่ตันหาความอยากวิธีแก้ตันหาความอยากก็คือแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของไปเที่ยวตามความอยาก เอาเงินนี้ไปทำทานแทนดัดความอยากมันทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินเที่ยวก็เอาเงินนี้ไปทำบุญแล้วต่อไปความอยากมันจะอ่อน ก, กำลังลงไปแต่มันจะไม่หมดมันจะหมดนี้ต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมานั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจจะมีความสุขใจจะไม่ต้องการ อะไรต่างๆมาให้ความสุขพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเรามีความสุขทางใจทงการทำใจให้สงบแล้วเอาความสุขแบบนี้ดีกว่าความสุขแบบนี้อยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะมีความสุข แต่ถ้าเราไปใช้ร่างกายหาความสุขใช้เงินทองหาความสุขเราก็จะต้อง น, นลน่งรนหาเงินทองอยู่ไรเรื่อยๆแล้วถ้าวันไหนไม่มีเงินทองเราก็จะเดือดร้อนหรือถ้าเราใช้ร่างกายถ้าร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะเดือดร้อนนี่คือปัญญาที่เราจะสามารถสอนใจให้ฝืนความอยากให้เลิกความอยากได้ แต่เราต้องมีความสุขทางใจก่อนเราต้องมีความสุขจากความสงบก่อนถ้าเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราเหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่มแล้วใครจะมาชวนเราไปกินข้าวเราก็ปฏิเสธเขาได้เพราะเราอิ่มแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้กินข้าวใครมาชวนเราไปกินข้าวเราก็จะไปกับเขาทันทีเพราะเราหิวข้าวเราไม่มีข้าว เราไม่ได้กินข้าวใจเราก็เหมือนกันก่อเหตุที่ใจเราต้องไปหาความสุขทางร่างกายก็เพราะว่าไม่มีความสุขทางใจเหมือนกับไม่ได้กินข้าวนั่นเองพอร่างกายชวนไปกินก็ไปกินกับร่างกายแต่คนที่กินก็คือร่างกายใจก็ไปนั่งดูเฉยๆไม่ได้กินร่างกายกินอิ่มแล้วใจก็ยังหิวเหมือนเดิมอยู่ เพราะเราไม่ได้ให้อาหารใจอาหารใจก็คือการทำทางการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบแล้วสอนใจให้ฉลาดนี่คือสิ่งที่จะทำให้ใจของเราไม่มีตัณหาความอยากจะทำให้ใจของเรามีความสุขไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรรับรองได้ว่าไม่ต้องฆ่าตัวตาย อย่างครูบาจารย์บางรูปท่านเป็นอามภพเป็นอามภภาพาท่านไม่เดือดร้อนท่านก็อยู่ของท่านไปตามสภาพมีลูกศิษย์ลูกหามาทำบุญมาขอความสงเคราะห์จากท่านทั้งๆ ท, ที่ท่านเป็นคนพิการแต่ท่านมีธรรมะท่านมีของประเสริฐท่านไม่ต้องมีอะไรคนเราถ้ามีธรรมะแล้วไม่ต้องมีอะไร แม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีเช่นพออาาระพุทธเจ้าพระอรหันต์หลังจากที่ร่างกายของท่านตายไปแล้วหมดไปแล้วท่านก็ไม่ต้องมีร่างกายใหม่ท่านอยู่แบบไม่มีร่างกายได้ท่านมีร่างทิพย์ร่างทิพย์ที่ไม่มีตันหาความอยากก็เลยไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าเราหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายอีก ตัวอย่างมีไม่ดีกว่าหรือนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพกแล้วนำเอามาสอนพวกเราถ้าพวกเราเชื่อและปฏิบัติตามได้เราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราจะมีแต่ความสุขใจตลอดเวลาความทุกข์ทางร่างกายจะไม่เป็นปัญหากับเราเองต่อไปจึงขอให้พวกเรามาหัดสร้างความสุขทางใจกัน ด้วยการทำทางด้วยการรักษาสีด้วยการปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดอยากแล้วก็ต้องติดติดแล้วก็ต้องอยากอ ย, กอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแ ต, แต่ร่างกายมันต้องสิ้นสุดพอร่างกายมันทำงานไม่ได้เราก็จะเดือดร้อน